พอดีก่ะพอมันยากกันที่นี่เงินกันดีมันก็ได้เสียผลประโยชน์นายหลวงปอนี่เขาห้องก็ตัวเสียผลประโยชน์ ที่แน่ๆนะก่อนเขาเสียใจเกินนะหลวงปอวันไหนเขาไม่ได้ไปลืมไปเอาเงินไปจ่ายกาไฟฟ้าน่ะหลวงป่เดี๋ยวนี้เขาไปจ่ายเองอ่ะมันกาไฟฟ้านี่หนาวอมันซาบเลยนะไล่สองไ่พนานหลวงปอวันเดียวนะโอ้โหสลดเลยนะสังคมนี่นี่อะอีกอย่างหนึ่งมันเดี๋ยวนี้นะหลวงปู่มันเอามายืดมเอาถึงตีเลยนะ ไอตี๋ว like ่ามาเก็สส่วนสวเนี่นะเราบอขึ e ้นอยู่กับบิ anyway. fine, Denver, so ้นเก้าน่ะหลวงปอแล้วที่นี่เขาไปเสียที่อันเซเว่นก็ไ่ได้ต้องไปเสียที่บริษัทมันเขียนลงไปหน้าหนาเป็นตันน่ะหลวงปอการน่นการนี่ใช้ภาษาอังกฤษแบบคนถิ่นหัวของกเขาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนของเงาเนี่ยม้อแปลงนี่เออม้อเก็สไฟเสียก่อนอดีบนี้หนาเท่าเนี่ยได้บรดษัทมันเลยเราเข่ากวากว่ามันเป็นไปบริษัเออ เขาอ า, อาจจะเป็นว่าภาวะตาดีกว่าหลวงปออทำกันตาแต่ะรากินนี่เอามาคิดดูแลว้วว่าโออเข้าใจอะอย่างไรยังวะคนนี่น่าเกลียดมากจะได้เจพอพระถึงเข้าไปยุ่งกัะเรื่องเหมืนี้ก็เพราะมันรับรู้ซิแล้วนี่แล้วมันมันโดนมีอย่างมาได้มันจําเป็นมันจะต้องเขาไปยุง่งแต่ถึงว่าได้บอกคุกได้บอกว่าห้อย ไหนที่มันเกลืออาทอนเขานี่จะบ่มีไม่แต่เห็นแก่ตัวมดแหละทุกถูกบริษัทถูกหน่วยงานเนี่ยหลวงปบอบ่เอาจีบก่อนเทียมะถ้าสินใจเนี่ยทํามาจีขึ้นปวยไงเนี่ยตีมาติดตั้งเนี่ยนะขึ้นไปอู้กระเ่าก่อนมาอู้กระเ่าวแล้วอำมาาจะไปหาไฟฟ้าเเออเอ อ, เ อ, อ หลวงปอหน่ะมหู้ก็หลวงปอก่อนเออ่ามันหู้เรื่องมดละมันเนี่ยมันอาจจะบม่ได้ข้อมูลลึกอย่างเขาถึงหู้นี่หลวงป อ, อมันหู้ดีกามันมันหู้มดเราเพราะมันไปย่าเออบ้านที่ว่าสองสามล้านนั่นหลวงปอมันมูหลวงปอบได้บริษัทนี้นะอ่าเออมันไปย่ามามดแเรามันมันไปย่าเออันไอฝรั่งนี่สองสามล้านนี่นะอือ อนนี่มันไอฝรั่งเกียรติน่ะและทีนี่ทีนี่มีคนเึนเจ้าเป็นนายน่ะจะไงผม uh huh. ก็โดนมันที่เอีแ่ยบางข้างเขากะมันบ่เรียกกับ่แองคนไทยเขาเนี่ยมันหัวบจ่จิบบอรุนแรงคนดีเขาบจ่จิบหัวรุนแร ง, ง uh huh. หนุ่ปอกไอ้คนเลี้ยวน่ะที่มันหัวรุนแรงแบบบ้านละหาแล้วที่นี่คนไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่า ออย่างงี้ง่ายเนี่ยที่เกต่อสู้หนาหมดแต่เ่าเนีน่ยนะคุณอินะแต่บางคร้งมันกระปอมีมีกินนีเนี่ยให้พวกเห็นแกนตัว ก, ก็กอบกวยเอาหมันแทะเล็มแฝ่หนาป อ, อยุกเนี่ยว <ừ> ้า อ, อ, อู้ดีๆแล้วก็ลวงปอรลองไปเลยฟังหนาเสือแต่ถ้าหลวปยก่อบอกเ ร, ริ่มเห่นเนี่ยเหล่มต้นอย่าอือไอคนเนี่ยอูกระเูาก่อนอูกระเพ่นอาจจะบวชเสียหลงนี่อูกระลวงปอนะ อู uh ๋บอกังบอกฟังเอาบฟัง huh. ท uh ุกอย่างว่าเป็นไปจะได้กิจจิตจะได้บอจิจิตนจะได้มอธรรมดาจะได้มันมีประสบการณ์กันแนนแต่มอูก็เฮาเฮามีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วมันอู๋ได้เลยจะนยบบมีการประสบการณ์จะมันจะถ้าเขาไม่ีผลอย่างแย่งมา่งก่อนบอฟังมันก่อนเจ้าขบอาูอะฮะ มั่มโดนก็มเพาเนี่ยเขากำลังเรียนลู้นี่ อ, อุติอย่างเขาก็ บ, บงแต่พอเขาเรียนรูป้ปุ๊บ ม, มีคนมาเหล่ามีคนมาเหล่าทีนี้ไอ้นี่ต้องหู ด, ดีกว่าเจ้า แต่หลวงปอเขาฟังมันดีๆเขาถามสักมันดีๆไม่ <c oughs> ต้องมาอูเจ้าศาสนาเจ้าเจ้ารัพย์้โหได้หลวงปออย่างยากแต่ผมมีเงินก็จ้วย <c oughs> แต่ทีเนี้ยแน่ต้องรู้ข้อมูลนี่ก่อน <c oughs> แกละ <c oughs> อืเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะุูซี่ซ้ำมาโอ้โหไม้ซีกงัดไม่สูงมันบ่ได้ แต่กองหลวงปอจินแป๊ดตินใจหลวงปอค่ะนี่ดีแล้วหลวงปอมาอู้หนาเจ้าหนุ่ว่าหลวงปอเนี่เลี้ยง้ไหมหลวงปนี่งเดียวหลวงปอเสียความรู้สึกที่นี่น่เขาสูญเสียเพื่อที่แม่แ่น้อยเดียวเาบยอมแต่เาต้องมีข้อมูลเพียงพอก่อนใช่ อันนี้เขาถ้าสูญเสียเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆนี่เขาบอกว่าบางครั้งมันเห็นแก่ตัวเกินอันนี้มันทา ม, มาก่อนก่อนก็สชอจะเกิดองต่อที่นี่นนนมาจด ต, ตอนที่เก็บมาอู้เรื่องเนี่ยมั น, นมก็บอกอ น, นี่แค่เสียงเชิญเขาแค่ี้ดูเราการข้อมูลกั๊มเนียเขา เ, ขา เ, าเอาดิจิทัลไปติดที่เขาเล่นหมายความว่าจะได้มันก็บอกของเรานี่นม้แต่มันมาติดมาติดดิจิทัลมันก็ไม่ไม่เสียอย่างนั้นเราผมมีวิธีการมันก่านะอ๋อถ้ามันมีวิธีการนะแต่ หลวงปอแต่ถ้ามีวิธีการยังไดแต่หลวงปอต้องคิดให้ดีว่าอย่าไปใื้มันเป็นทําพิษจากโอดไฟฟ้าเราเดี๋ยวมันจะเล่นงานเราแออืได้ ว, ว่าอู้กันดีๆอดดู้ดีๆถ้าว่ามันย่าได้มีเทคนิควิธีการเดี๋ยวไปย่าเหมือนกัต่อกมันเยเออแพรถึงเรียนก็นจะย่ามือกันแต่ที่แพรถึงเรียนต่อขนาดคนนี่นะหลวงปออยทางวลานีิตกรมันอยู่ไฟฟ้า Uh huh. มันติดไฟเก่งมากเลยตัวเป็นคนดีด้วยนะ่ะ uh huh. อือฮะมองมาน่านอย่ายงราคามันก็บรสชาติออื uh huh. ตไหนวัด น, นี่ติดเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสยมันติดไฟที่มันถึงล้น uh huh. นะอ่าฮ uh ึ่งมันกั้มมันกั้สองมันสามมนห้ามัีซื้อเสาอย่างเอามันเนี้ยแต่มันติดไฟเดี๋ยวนี้มันติดนะมันมีมดคัดเอาเ้าถูกะ ถังมันเปิดถังเฮาเปิดเปิดถัง o, เฮา ป, ปิดถังมันมีน ม, มดมันยังกนะัน <ừ ừ S 2> หนอหลวงพ่อทีม น, นี้นี่ก็ชุดเก่งอะ <ừ S 2> แต่ถ้าหลว่ อ, อก็ต้องเรียนรู้ถามดีๆว่าถ้าเขามาคุมเฮาอย่างเจ้าเพราะว่าที่จีตอดมีโ้โหมีคนมาอู้หลายคนมัน ท, ทั้งทวประเทศเลยออืเ <ừ> นี่ยเนี่ยมันทํามาก่อนเขาเรียกว่าอันระบบ บอริสัตีใครก็บ่กเห็นแก่ตัวมากไงฉันจะได้อย่างเดียวบอกตปรึกษาดีๆนาได้ยู่ได้กะอบอีที่อีถ้าสมมติว่ามาปามไม่ปรึกษาก็ไปฝ้าห้ออู้าเดียวออู้เนี่ยนะถ้าไปฝ้ามันบทเียบทชัดเจนอย่างนี้อมาอยากปามไปหาผู้นดไปจะซอควันนี้นะใช่ลองอู้กันว่ามันถึงจะไดเพราะว่ามันเดือร้ออยกเมันที่มันพยายามมันพยายามมาพยายามเตี้ยไอ้รองเส้สัญญาเนี่ยสองสเี้ แต่แต่เขาบทจกลงเตี๋ยบทห้องข่าวข้อมูลก่อนใายเซ็นสัญญาไปบ้านหลเอ่อบอานนี่ไอ้โซเชียวนี่ไงอ๋อใช่ๆอัอนี่หลวงปอต้องข้อมูลดีๆเขาต้องหู้อะเขาบม่ได้ทำพิษอย่างพิษแร่ดินะหลวงปออัน โซลเนี่นะทีจริงก็ส่อสางอยู่แล้วใช่ป่อเออเนี่ยหลวงปก็ได้เตียบเี๊ยบทหลังก็ส่อส่สอเจ้ามัน้ำก่อนแล้วทีนี้เจ้าก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนกูรําม่อแบตตื่นดีวันยิบตัวที่เขากระต้อง ทั้งยังเขาก็ต้องประยัดถังเขาอีกนะบ่นเรื่องนี่มาแค่เมื่ันนี้ข้อมูลอย่างที่เขาว่าเนี่ยเรื่องก็เฉลยวช้ยเพราะว่ามันนี้ที่ต่ที่อก็อาจารย์อัจฉพภัทอาจารย์อัจิพเป็นที่พูกเฉอเยอะว่ะโอ้จันนึงเลยหลวงปอจันนึงเลย นั่นแหละบางีเอาสกัดเตะเออแล้วถ้าบอกอันมันจะต้องเปลี่ยนอี้ตลอดได้ได้ทุกคนนี่เจ้าบ้านเรียนรอดมันเอาจิ้ต้อนไปติดวมดผมบอกตรงนี้ประโยชน์เลยอันฝังไปเกลี่ยเนี่ยกูลงทุนเลยสามล้านซื้อมอแบดจากต่างประเทศมาเลยออืสวัสดีจู้ดเดียนบอเดียนรอนเลยออืืแต่เขานี่นะเขาบอมีเงินสามล้านจริงอ่ะอย่างฝันไปได้อ่ะอี่างนี๋ยวางนี้กําลังทําแบดอยู่แต่ แบบนี้แนี่ถ้าว่าบอ่บอปวดาำน้ำก็มีปัญหาอีแ ney มอแ บ, บนหาบ่อ uh huh. okay. แบนเหมือนเขานี่ยการจะไดหลวงปอปรึกาเอาเลยนะเอาถึงเ่าเลยนะเอาเลยเนี่ยเจ้าจัดใครมออีอะหกวงอหัรุนแรงขึ้หอรุนแรงไม่แปะนเียหลวงปอยนะหัวรุนแรงอเนี่ยตาย เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเล่นนุมๆหนุ่มๆหนุ่มๆโอเคโบธนาเจ้าเจ้าเจ้า